ธรรมบทแปลเรื่องที่สเรื่องพระติสัทธิระข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบพระติสัทธิระได้ตรัสพระธรรมเทศานานิว่าอโกชิมังอวธิมังเป็นต้นตอน พระติสาทธิระเป็นผู้ว่ายากและถือตัวดังได้สดับมาท่านติสาทธิระนั้นเป็นโอรสพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบวชในการเป็นคนแก่บริโภราบสการักอันเกิดขึ้นแล้วในพระพุทธศาสนามีร่างกายอ้วนพีมีจีวรรีดเรียบร้อยแล้ว โดยมากนั่งอยู่ที่โรงฉันกลางวิหารภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายมาแล้วเพื่อประโยชน์จะเฝ้าพระสัสดาไปสู่สำนักแห่งเธอด้วยสำคัญว่านี่จะเป็นพระเตรระผู้ใหญ่ดังนี้แล้วถามถึงวัดถามถึงกิจควรทำมีนวดเท้าเป็นต้นเธอนิ่งเสียลำดับนั้น ภิกษุหนุ่มองหนึ่งถามเธอว่าท่านมีพรรษาเท่าไหร่เมื่อเธอตอบว่ายังไม่มีพรรษาขบเจ้าบวชแล้วในการเป็นคนแก่จึงกล่าวว่าท่านขลัวตาผู้มีอายุฝึกได้ยากท่านไม่รู้จักประมาณตนท่านเห็นปติยรผู้ใหญ่มีประมาณเท่านี้แล้วไม่ทำวัดแม้มาดว่าสามีจิกรรม เมื่อวัดอันประเตีร่าเหล่านี้ถามโดยเอื้อเฟื้ออยู่ท่านนิ่งเสียแม้มาวว่าความรังเกียจก็ไม่มีแก่ท่านดังนี้จึงบกมือเป็นทีรุกรานเธอยังกัติยมานาให้เกิดขึ้นแล้วถามว่าพวกท่านมาสู่สำนักใครเมื่ออาคันตุกะภิกษุเหล่านั้นตอบว่า มาสู่สำนัก ข, ของพระสัสดาซึงกล่าวว่ากับพวกท่านข้าข้พระเจ้าว่านี่ใครข้าพระเจ้าจะตัดมูลของพวกท่านเสียให้ได้ดังนี้แล้วร้องไห้เป็นทุกข์เสียใจได้ไปสู่สำนักของพระสัสดาแล้วตอนพระติสะทูลเรื่องแด่พระสัสดาลำดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเธอว่าติสระเป็นอะไรหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจมีน้ำตาอาบหน้าร้องไห้มาแล้วฝ่ายภิกษุเหล่านั้นคือพวกอาคันตุ ก, กะภิกษุคิดว่าภิกษุนั้นคงไปทำกรรมขุนมัวอะไรอะไรดังนี้จึงไปกับพระติสระนั้นทีเดียว ถวายบังคมพระสัสดาแล้วได้นั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งพระติสระนั้นอันพระสัสดาตรัสถามแล้วได้กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญภิกษุเหล่านี้ด่าฆ่าพระองค์พระสัสดาก็เถื่อนั่งแล้วที่ไหนพระติสสะที่โรงฉันกลางวิหารพระเจ้าข้า พระศัสดาภิกษุเหล่านี้มาเธอได้เห็นหรือพระติสัตเห็นพระเจ้าค่าพระศัสดาเธอได้ลุกขึ้นทาการต้อนรับหรือพระติสัตไม่ได้ทำพระเจ้าค่าพระศัสดาเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงการรับบริขารของภิกษุเหล่านั้นหรือพระติสัต ข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระสัสดาเธอได้ถามโดยเอื้อเฟื้อถึงธรรมเนียมหรือน้ำดื่มหรือพระติศข้าพระองค์ไม่ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อพระเจ้าข้าพระสัสดาเธอนำอาสนะมาแล้วทําการนวดเท้าให้หรือพระติศไม่ได้ทาพระเจ้าข้า ตนพระติสระไม่ยอมเขมาภิกษุสงฆ์พระสัจดาติสระวัดทั้งปวงนั่นเธอควรทำแก่ภิกษุผู้แก่การที่เธอไม่ทำวัดทั้งปวงนั่นอยู่ในถ้ำกลางวิหารไม่สมควรโทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุทั้งหลายนั่นเสียพระติสระ พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุนี้ได้ด่าข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษเธอพระสัสดาติสสะเธออย่าได้ทำอย่างนี้โทษของเธอเองมีเธอจงขอโทษภิกษุเหล่านั้นเสียพระติสสะพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ยอมขอโทษภิกษุเหล่านี้ลำดับนั้น พระศาสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประติษฐนนี้เป็นคนว่ายากดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติสษานี้ไม่ใช่เป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนติสษานี้ก็เป็นคนว่ายากเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบความที่เธอเป็นผู้ว่ายากแต่ในบัดนี้เท่านั้นเธอได้ทำอะไรไว้ในอดีตการดังนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วได้ทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสว่าตอนบุปกรรมของพระติสั ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพารณสีเสวย ร, ราชสมบัติอยู่ในเมืองพารณสีดาบทชื่อเทวละอยู่ในหิมะวันตะประเทศ8เดือนใครจะเข้าไปอาศัยพระนคร อ, อยู่สเดือนเพื่อต้องการจะเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงมาจากหิมะวันตะประเทศพกพวกคนเฝ้าประตูพระนครจึงถามว่า พวกเป็นประชิดผู้มาถึงพระนครนี้แล้วย่อมพักอยู่ในที่ไหนกันเขาทั้งหลายบอกว่าที่โรงนายช่างหม่อขอรับเธอไปสู่โรงนายช่างหม้อแล้วยืนที่ประตู ก, กล่าวว่าถ้าท่านไม่มีความหนักใจก็ไปเจ้าขอพักอยู่ในโรงสักราตรีหนึ่งช่างหมอกล่าวว่า กลางคืนกิจของข้าพเจ้าที่โรงไม่มีโรงใหญ่นิมนต์ท่านอยู่ตามสบายเถิดขอรับดังนี้แล้วมอบโรงถวายเมื่อเธอเข้าไปนั่งแล้วด้บทแม้อีกอง์หนึ่งชื่อนาระมาจากหิมะวันตะประเทศโดยขอพักอยู่ราตรีหนึ่งกับนายช่างมอ่อนายช่างม่อคิดว่า ดาบทองมาก่อนพึงเป็นผู้อยากจะอยู่ด้วยกันกับดาบทองนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะปลีกตัวเสียดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าถ้าท่านองเข้าไปก่อนจกพอใจไซท่านจงพักอยู่ตามความพอใจของดาบทองก่อนเถิดขอรับนารธาดาบทนั้นเข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์ ถ้าท่านไม่มีความหนักใจผมขอพักอยู่ในโรงนี้ราตรีหนึ่งเถิดเมื่อเธอกล่าวว่าโรงใหญ่ท่านจงเข้าไปอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งเถิดดังนี้แล้วจึงเข้าไปนั่งณที่อีกส่วนหนึ่งแห่งเธอผู้เข้าไปก่อนตอนโทษของการนอนไม่เป็นที่ ดาบทแม้ทั้งสองรูปพูดปราศัยชวนให้ระลึกถึงกันแล้วในเวลาจะนอนนารทดาบทกำหนดที่นอนแห่งเทวะละดาบทและประตูแล้วจึงนอนส่วนเทวะละดาบทนั้นเมื่อจะนอนหาได้นอนในที่ของตนไม่พล่นอนขวางที่กลางประตูนารธดาบทเมื่อออกไปในราตรี ได้เหยียบที่ชดาของเธอเมื่อเธอกล่าวว่าใครเหยียบเรานราธาดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเทวละตชะดินโกงท่านมาจากป่าแล้วเหยียบที่ชดาของเรานารทธาท่านอาจารย์ผมไม่ทราบว่าท่านนอนที่นี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิด เมื่อเธอกำลังบ่นอยู่นั่นแลออกไปข้าง น, นอกแล้วเทวรดาบด์นอกนี้คิดว่าดาบดรูปนี้แม้เข้ามาจะเพิ่งเหยียบเราอีกดังนี้แล้วจึงได้กลับนอนหันศีรษะไปทางเทา้าฝ่ายนารธาดาบดเมื่อจะเข้าไปคิดว่าแม้ทีแรกเราได้ผิดแล้วในท่านอาจารย์บัดนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าของท่าน นี้แล้วเมื่อมาได้เหยียบที่คอแห่งเธอเมื่อเธอกล่าวว่านี่ใครจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมเองเมื่อเธอกล่าวว่าชดินโกงที่แรกท่านเหยียบที่ชดาของเราแล้วเดี๋ยวนี้เหยียบที่คอเราอีกเราจะสาบท่านจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ โทษของผมไม่มีผมไม่ทราบว่าท่านนอนแล้วอย่างนี้ผมเข้ามาด้วยคิดว่าแม้เดียวแรกความผิดของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้เราจะเข้าไปโดยทางเท้าท่านดังนี้ขอท่านจงอดโทษแก่ผมเถิดตอนด้าบททั้งสองต่างสาบ ก, กันเทวะชดินโกง เราจะสาปท่านนารถท่านอาจารย์ท่านอย่าทำอย่างนี้เลยเธอไม่ได้เอื้อเฟื้อถ้อยคาของนารถดาบทนั้นยังขืนสาปนารถดาบทนั้นด้วยคาถาว่าสหัสสรังสิสตเตโจสุริโยตมะวิโนโดโนปาโตอุดยันเตสุริเย มุทาเตพรตุสัตธาพระอาทิตย์มีรัศมีตั้งหนึ่งพมีเดชตั้งหนึ่งรมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอสีราะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงนารธดาบทกล่าวว่าท่านอาจารย์โทษของผมไม่มีเมื่อกำลังพูดอยู่ทีเดียว ท่านได้สาบแล้วโทษของผู้ใดมีอยู่ขอศีรษะของผู้นั้นจงแตกของผู้ไม่มีโทษจงอย่าแตกดังนี้แล้วได้สาบด้วยคาถาว่าสหัสรังสีสตะเตโจสุริยตะมะวิโนโดโนปาโตอุดยันเตสุริเยมุททาเตพระตุสัตตาประาทิต มีรสมีตั้งหนึ่งพมีเดตตั้งหนึ่งมีปกติกำจัดความมืดพอพระอาทิตย์ขึ้นมาในเวลาเช้าขอสีราะของท่านจงแตกออกเจ็ดเสียงและนรธาดาบทนั้นมีอนุภาพใหญ่ตามระลึกชาติได้80บกับคือในอดีตตการ40บกับในอนาคตการ40บกับเพราะเหตุนั้น ท่านคิดว่าความสาบจากตกในเบื้องบนแห่งใครหน่อแลดังนี้เมื่อใครครวญไปก็ทราบว่าจากตกในเบื้องบนแห่งอาจารย์อาศัยความกรุณาในเธอจึงได้ห้ามอารุณ์ขึ้นด้วยกำลังฤทธิ์ตอนประชาชนเดือดร้อนตลอดถึงพระราชา ชาวระนครเมื่ออารุณ์ไม่ขึ้นก็พากันไปสู่ประตูพระราชวังแล้วกราบทูลพิไรว่าข้าแต่สมมติเทพเมื่อพระองค์ทรงครองราชสมบัติอยู่อารุณ์ไม่ขึ้นขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรโดให้อารุณขึ้นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดพระราชาทรงพิจารณาจริยาอนุวัต มีกายกรรมเป็นต้นของพระองค์มิได้ทรงเห็นการอันไม่สมควรอะไรๆจึงทรงพระดำริว่าเหตุอะไรหนอแล่ดังนี้ทรงระแวงว่าชรอยจะเป็นความวิวาทของพวกบรรพชิตดังนี้แล้วจึงตรัสถามว่าพวกบรรพชิตในพระนครนี้มีอยู่บ้างหรือเมื่อมีผู้กราบทูลว่า เมื่อเวลาเย็นวานนี้มีพวกบรรมชิตมาสู่โรงนายช่างม่อพระเจ้าข้าพระราชามีราชบุรุษถือคบนำเสด็จไปที่นั้นในทันใดนั่นเองทรงอภิวาพระนาราดาบทแล้วประทับณนะที่ควรข้างหนึ่งตรัสถามว่ากัมมันตานับปวัตตันติยัมพูดีปัสสะนารดาั เกนาโลโกตโมฟูโตตังเมอค่าหิปุจชิโตผู้เป็นเจ้านาระการงานทั้งหลายของพวกชมพูทวีปย่อมเป็นไปไม่ได้โลกเกิดมืดแล้วเพราะเหตุอะไรท่านอันข้าพเจ้าถามแล้วได้โปรดบอกเหตุนั้นแก่ข้าพเจ้านารธดาบท เล่าเรื่องทั้งปวงถวายเสร็จแล้วถวายพระพรว่าอาตมาภาพอันดาบทรูปนี้สาบแล้วเพราะเหตุนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นอนาตมาภาพจึงได้กล่าวสาบบ้างว่าโทษของข้าพเจ้าไม่มีโทษของผู้ใดมีความสาบจงตกลงในเบื้องบนแห่งผู้นั้น แ, แล่ก็ครั้นสาบแล้วจึงคิดว่าความสาบจะตกในเบื้องบนแห่งใครหนอแล เมื่อใครครวญไปก็เห็นว่าในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นสีราะของอาจารย์จะแตกออกเป็นเจ็ดเสียงดังนี้แล้วอาศัยความกรุณาในท่านจึงมิให้อารุณขึ้นไปพระราชาก็อย่างไรอันตรายจะไม่พึงมีแก่ท่านเล่าขอรับนารถาถ้าท่านขอโทษอัตมาภาพเสียอันตรายก็จะไม่พึงมี พระราชาถ้าอย่างนั้นท่านจงขอโทษเสียเถิดเทวละชดินนั่นเหยียบอัตมภาพที่ชดาและที่คออัตมภาพไม่ยอมขอโทษชดินโกงนั่นพระราชาขอท่านจงขอโทษเสียเถิดขอรับท่านอย่าทําอย่างนี้เทวละดาบทถูลว่า อาตมาภาพไม่ยอมขอโทษแม้เมื่อพระราชาตรัสว่าศีรษะของท่านจะแตกออกเจ็ดเสียงดังนี้ก็ยังไม่ยอมขอโทษอยู่นั่นเองลำดับนั้นพระราชาตรัสเถอว่าท่านจะไม่ยอมขอโทษตามชอบใจของตนหรือดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้ราชบุรุษจับเทวละดาบทนั้นที่มือ ที่เท้าที่ท้องที่คอให้ก้มลงที่บาทมูลแห่งนรธาดาบทนรธาดาบทกล่าวว่าอาจารย์เชิญท่านลุกขึ้นเถิดข้าพเจ้ายอมยกโทษให้แก่ท่านดังนี้แล้วถวายพระผ่อนว่ามหาพอพิธดาบทรูปนี้หาได้ขอโทษอาธมรมภาพตามใจสมัครใหม่ มีสระอยู่ในที่ไม่ไกลสระหนึ่งขอพระองค์รับสั่งให้เธอยืนทูลก้อนดินเหนียวบนสีสษะแช่น้ำอยู่ในสระนั้นแค่คอพระราชารับสั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วนารทดาบทเรียบเทวละดาบทมาว่าท่านอาจารย์ครั้นริษอันผมคลายแล้วเมื่อแสงพระอาทิตย์ตั้งขึ้นอยู่ ท่านพึงดำลงเสียในน้ำแล้วโผล่ขึ้นไปเสียด้วยทางอื่นก้อนดินเหนียวบนศีรษะของเทวราดาบทนั้นพอรัศมีแห่งพระอาทิตย์ถูกเข้าเท่านั้นก็แตกออกเจ็ดเสียงแล้วเทวราดาบทนั้นดำลงหนีไปที่อื่นแล้วตอนเวนไม่ระ ง, งับด้วยผูกเวนพระสัสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระราชาในการนั้นได้เป็นอาณน์แล้วเทวราดาบทได้เป็นติสะแล้วนารธาดาบทได้เป็นเราเองถึงในครั้งนั้นติสะนี่ก็เป็นผู้ว่ายากอย่างนี้เหมือนกันดังนี้แล้วรับสั่งเรียกติสะเถระมาแล้วตรัสว่า ทก็เมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าเราถูกผู้นอนด่าแล้วถูกผู้นอนประหารแล้วถูกผู้นอนชนะแล้วผู้นอนได้ลักสิ่งของของเราไปแล้วดังนี้ชื่อว่าเวนย่อมไม่ระงับได้แต่เมื่อภิกษุไม่เข้าไปผูกอยู่อย่างนั้นนั่นแลเวนย่อมระงับได้ดังนี้แล้วได้ทรงพาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่า อกโกชิมังอวัทิมังอจินิมังอะห้าสิเมเยจตังอุปนัยขันติเวรังเตซั่งนัสมติอโกชิมังอวัทิมังอจินิมังอะห้าสิเมเยจตังนูปนัยขันติเวรังเตสู้ปะสมาติก็ชนเหล่าใดเข้าไปปลูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้นู้นได้ด่าเรา ผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวนของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับได้ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกความโกรธนั้นไว้ว่าผู้โน้นได้ด่าเราผู้โน้นได้ตีเราผู้โน้นได้ชนะเราผู้โน้นได้ลักสิ่งของของเราแล้วเวนของชนเหล่านั้นย่อมระงับได้ ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอกโกชิคือด่าแล้วบทว่าอาวัิคือประหารแล้วบทว่าอชินิคือได้ชนะเราด้วยการอ้างพยานโกมบ้างด้วยการกล่าวโต้ตอบถ้อยคําบ้างด้วยการทําให้ยิ่งกว่าการทําบ้างบทว่าอาห้าสิ คือผู้โน้นได้ลักของคือบรรดาวัตถุทั้งหลายมีผ้าเป็นต้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเราสองบทว่าเยจจตังเป็นต้นความว่าชนเราได้เหล่าหนึ่งคือเทพดาหรือมนุษย์คเรหันหรือบัปรปชิตเข้าไปผูกความโกรธนั้นคือมีวัตถุเป็นต้นว่าคนโน้นได้ด่าเรา ดุดพวกคนขับเกวียนขันธูปเกวียนด้วยชนะและดุดพวกประมงพันสิ่งของมีปลาเน่าเป็นต้นโดวยวัตถุมียญาคาเป็นต้นบ่อยๆเวรของพวกเขาเกิดขึ้นแล้วคราวเดียวย่อมไม่ระงับคือว่าย่อมไม่สงบลงได้บาปประกาศาว่าเยจตังนูปัญายขันติความว่า ชนเหล่าใดไม่เข้าไปปลูกความโกรธนั้นคือมีคําด่าเป็นต้นเป็นที่ตั้งด้วยอํานาจการไม่ระลึกถึงและการไม่ทําไว้ในใจบ้างด้วยอํานาจการพิจารณาเห็นกรรมอย่างนี้ว่าใครๆผู้หาโทษไิ่ได้แม้ท่านคงจักด่าแล้วในพบก่อนคงจักประหารแล้วในพบก่อนคงจักเบิกพยานโกงชนะแล้วในพบก่อน สิ่งของอะไรๆของใครของใครท่านคงจักค่มเหงชิงเอาแล้วในพบก่อนเพราะฉะนั้นท่านแม้เป็นผู้ไม่มีโทษจึงได้ผลที่ไม่น่าปรารถนามีคำ่าเป็นต้นดังนี้บ้างเวรของชนเหล่านั้นแม้เกิดแล้วเพราะความประมาทย่อมสงบได้ด้วยการไม่ผูกโกรดนี้ ดุดไฟไม่มีเชื้อเกิดขึ้นแล้วดับไปฉะนั้นแลในการจบเทศนาภิกษุแสนหนึ่งได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปิตผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นคถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้วพระติสัต ถ, ถึงเป็นคนว่ายากก็กลายเป็นคนว่าง่ายแล้วดังนี้แลเรื่อง พระติสาเถรา